การภาวนานั้นไม่ใช่ว่านั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวการภาวนานั้นตลอดเวลาการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มีสติประครับประคองอยู่เสมอเลยทีเดียวบบบนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทวนดูสิอันนี้มันก็ไม่แน่นอนหรอกเรื่องมันไม่จริงทั้งนั้นนะเราต้องเตือนอยู่เช่นนี้เมื่อมันมีสุขเกิดขึ้นมาแล้ว สุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนั่นแหละเคยสุขมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็สุขเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นถ้าเราเห็นอารมณ์เมื่อใดถูกอารมณ์ขึ้นมาเมื่อใดมันจะดีใจเราก็ต้องบอกมันเตือนมันว่าความดีใจมันก็ไม่แน่นอนหรอกเป็นแต่ความไม่จริงทั้งนั้นแหละมันหลอกลวงทั้งนั้น เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ว่ามันไม่แน่นอนเป็นสิงที่หลอกลวงทั้งนั้นแหละเป็นความรู้สึกทั้งนั้นแหละความเป็นจริงแล้วความสุขหรือความทุกข์นั้นไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์ถ้ามีความชอบใจก็รู้สึกว่าสุขไม่ชอบใจก็รู้สึกว่าทุกข ตัวสุขตัวทุกข์จริงๆมันไม่มีมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกเธอเราคิดได้เช่นนี้เราก็เห็นของปลอมตลอดเวลารู้จักอารมณ์อารมณ์อันนี้ก็ไม่ต้องว่าไปสอบอารมณ์การภาวนาไม่ต้องไปสอบอารมณ์เมื่อเรามีสติตลอดเวลาทุกวันทุกนาทีมันจะรู้จักอารมณ์ เมื่อเราทำผู้รู้ให้ตื่นอยู่เสมอแล้วมันจะเห็นความสุขหรือทุกข์ชอบไม่ชอบจะเห็นอยู่ตลอดเวลามันจะทวนลงไปทีเดียวว่ามันไม่แน่สุขเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันเลยทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ว่าเลยว่าอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันแน่อยู่ตรงไหนเล่า มันแน่อยู่ตรงที่มันไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเองอันนี้เป็นเหตุให้สุขทุกข์และอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังเสื่อมเมื่อสิ่งทั้งหลายนี้มันเสื่อมไปอุปาทานความยึดมั่นของเราก็น้อยก็ปล่อยวางนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาเช่นนี้ฉะนั้นจิตใจของเรา มันจะได้มาก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันมันจะเสียหายไปก็เป็นเรื่องของมันมันจะสุขก็เป็นเรื่องของมันมันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของสังขารมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นสักแต่ว่าเรารู้เท่านั้นอื่นนั้นก็ไม่มีฉะนั้นท่านจึงสอนให้โอปัญญิโกคือให้น้อมเข้ามาใส่ตัวอย่าน้อมออกไป น้อมเข้ามาให้เห็นด้วยตัวของเรานี้ทางที่ดีสําหรับคนที่อ่านที่ศึกษามามากแล้วจะมาอยู่มาภาวนาเพียงสองสัปดาห์เท่านี้นะ่ะอัตมาเห็นว่าไม่ต้องดูไม่ต้องอ่านหนังสือเอาเข้าตู้เสียถึงเวลาเราทํากรรมฐานนั่งสมาธิของเราเราก็ทําไปอาณาปานสติทําไปเรื่อยๆ ขณะที่เราเดินจงกรมเราก็เดินให้รู้จิตของเราเท่านั้นแหละรักษาจิตของเราบางทีความหวาดความสะดุ้งมันเกิดขึ้นมาเราก็ทวนมันอีกอันนี้เป็นของไม่แน่นอนเรื่องความกล้าหาญเกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่แน่ทั้งหมดนั่นแหละไม่รู้จะจับอะไรนี่ทาปัญญาให้เกิดเลยทีเดียวทาปัญญาให้เกิด ไม่ใช่รู้ตามสัญญาคือรู้ตามความจํารู้จิตของเราที่มันคิดมันนึกอยู่นี้มันคิดนึกทั้งหมดเกิดขึ้นมาในใจของเรานี่แหละจะดีหรือชั่วจะถูกหรือผิดรับรู้มันไว้อย่าไปหมายมั่นมันเออทุกมันก็เท่านั้นแหละสุขมันก็เท่านั้นแหละมันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นแหละเรายืนตัวอยู่เช่นนี้เลย ยืนตัวอยู่เสมอเช่นนี้ไม่วิ่งไปกับมันไม่วิ่งไปกับสุขไม่วิ่งไปกับทุกข์รู้อยู่รู้แล้วก็วางอันนี้ปัญญาจะเกิดทวนจิตเข้าไปเรื่อยเวลาเรามีมากเรามาฝึกจิตก็ต้องดูจิตดูอาการของจิตลองดูจิตให้เห็นจิตเรา อย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้ามั่นก็เห็นสุขเป็นของจริงสุขเป็นเราสุขเป็นของเราทุกข์เป็นเราทุกข์เป็นของเรามันคิดเช่นนี้แต่ความเป็นจริงนี้สุขสักแต่วาสุขไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาทุกนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวคนที่รู้ทุก หรือรู้สุกนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเห็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรจะเกาะเกิดสุขขึ้นมาสุขก็เกาะเราไม่ได้เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็เกาะเราไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่เป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นของไม่แน่นอนถ้าเราคิดเช่นนี้จะภาวนาได้เร็ว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมาทุกอย่างจิตกำหนดอยู่เสมอให้รู้มีอารมณ์มันเข้ามาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอะไรต่างๆนี้มันจะเกิดความชอบไม่ชอบขึ้นมาทันทีมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้เราเรียกว่าอ่านดูจิตมันจะเห็นจิต เพราะมันเกิดจากจิตดวงเดียวเท่านี้มันจะให้สุขมันจะให้ทุกข์ทุกอย่างเกิดจากจิตถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เช่นนี้มันจะเห็นกิเลสมันจะเห็นจิตของเราสม่ำเสมอเลยทีเดียวอันนี้หละคือการภาวนาบางคนเมื่อมาภาวนาตอนเย็นก็นั่งสมาธิเดินจงกรม ก็นึกว่าเขาได้ภาวนาแล้วยังไม่ใช่เท่านี้ความเป็นจริงการภาวนาคือให้มีสติติดต่อกันเป็นวงกลมตลอดเวลาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ให้เห็นให้เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเราเห็นเกิดขึ้นมาอย่าไปยึดมั่นอย่าไปหมายมั่นปล่อยมันวางมันไว้เช่นนี้ปฏิบัติเช่นนี้เร็วเร็วมาก มีแต่เห็นอารมณ์เท่านั้นลหละอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่ไม่ชอบทุกวันนี้เราทุกคนนะ่ะไม่รู้จักกิเลสตัณหามีคนคนเดียวนั่นหละที่มาหลอกตัวอยู่วันยังคำ่ำดูสิเราเกิดมามีอะไรไหมก็คนคนเดียวนั่นแหละมันพาให้เราโหรอยู่ที่นี่ร้องไห้อยู่ที่นี่โศกเศร้าอยู่ที่นี่นวุ่นวายอยู่นี่แหละ มันก็คือคนคนเดียวกันถ้าเราไม่พิจารณาไม่ตามดูแล้วยิ่งไม่รู้จักมันมันก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้มาก็เคยเสียอยู่เสียแล้วก็เคยได้มาอยู่ก็พลอยสุกกับมันทุกข์กับมันยึดมั่นหมายมั่นกับมันตลอดเวลาอยู่เช่นนี้เราไม่ดูมันไม่พิจารณาของทั้งหลายนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราพิจารณาที่ตัวเราอยู่เช่นนี้เราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของเราต้นไม้ทุกต้นเปรียบเหมือนมนุษย์ก้อนหินทุกก้อนเปรียบเหมือนมนุษย์สัตว์ทุกตัวในป่าในทุ่งก็ดีมันก็เหมือนกับเราไม่แปลกกับเรามีสภาวะอันนี้อันเดียวกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรในท่ามกลางแล้วก็มีความดับไปในที่สุด เหมือนกันทั้งนั้น annual, ฉะนั้น ter, เราไม่ควรยึดมั่นหรือถือมั่นอะไรทั้งหลายแต่ว่าเราต้องใช้มันอยู่เช่นกระติกน้ำใบนี้เ <expectations S 2> ขาเรียกว่ากระติกเราก็เรียกว่ากระติกกับเขาเพราะว่าเราจะมีความเกี่ยวข้องกับกระติกน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกกระติกก็เรียกกับเขาเขาเรียกระโถนก็เรียกกับเขาเขาเรียกจานก็เรียกกับเขา เขเรีกถ้วยก็เรียกย ก, กับเขาแต่เราไม่ติดอยู่กับถ้วยไม่ติดอยู่กับจานไม่ติดอยู่กับกระโถนไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนั้นนี่เรียกว่าเราภาวนารู้จักตัวเราแล้วรู้จักของของเรารู้จักตัวเราแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะตัวเรารู้จักของของเราแล้วก็ไม่ทุกข์กับของของเรา อันนี้เพราะเราทำกรรมฐานปัญญามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะเห็นไปตามสภาวะมันเองทุกๆอย่างอันนี้เป็นโลกุตระปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือภาวนามะยปัญญามันพ้นจากโลกิยะวิสัยเมื่อจิตสงบรวมกำลังจิตตรงที่นั้นเกิดรู้เกิดเป็นญาณขึ้นมาเป็นความรู้โลกุตระอันนั้น ความรู้โลกระอันนี้พูดให้ก็ไม่รู้เรื่องอักขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกคือพระพุทธเจ้าบอกให้ได้แต่ว่าทำให้ไม่ได้เรื่องการประพฤติปฏิบัติมันเป็นเช่นนั้นฉะนั้นอดทนแล้วก็เพียนสอบอารมณ์เรื่อยๆไปถึงคราวเราทำความเพียนเราก็ทำไป ทำสมาธิเราก็ทำไปออกจากสมาธิก็พิจารณาเห็นหมดก็พิจารณาเห็นสัตว์อะไรก็พิจารณาเห็นต้นไม้ก็พิจารณาทุกอย่างเหมือนเราทุกอย่างน้อมเข้ามาหาตัวเราเหมือนเราทั้งนั้นอย่างใบไม้มันจะหล่นลงไปใบไม้มันจะขึ้นมาใหม่ ต้นไม้มันจะใหญ่ต้นไม้มันจะเล็กอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันล้วนแต่เกิดปัญญาทั้งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นเมื่อจิตเรารู้จักการปล่อยวางเช่นนี้แล้ ว, ลวก็จะเกิดความสงบความสงบไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันสงบเรียกว่าได้ความพอดีเหมาะสมด้วยความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเรียกว่าเป็นธรรม